บางทีคนเราก็ต้องมีแจบและช้ำใจบางอย่างก็มีผิดหวังบางครัง้ง บางทีคนเราก็ต้องมีแจมและช้ำใจบางอย่างต้องมีผิดหวังบางครัราต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคยต้องเจ็นี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้ว่าฉันก็เคยรู้ไหมบางทีคนเราก็ต้องมีแจมและช้ำใจบางอย่างต้องมีผิดหวังบางครั้ต้องเข้าใจ บา อ, อย่างก็มีผิดหวังบางครั้บต้อง้อใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคย